พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราหมั่นกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบายถ้า ต, ต้องการให้ใจสบายต้องการให้ใจไม่ทุกข์ ก็ต้องคอยกำจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเชื้อโรคของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมีเชื้อโรคเช่นมีเชื้อโรคอัฮิวาเชื้อโรควันโรคเชื้อโรคเอด็ด เอชไอวีถ้ามีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายไม่สบายถ้าอยากให้ร่างกายหายจากความไม่สบายก็ต้องหายามารับประทานพอได้รับประทานยาแล้วความไม่สบายคําเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายไป ชันใดใจของเราก็เหมือนร่างกายใจของเราก็ไม่สบายได้เหมือนกันเวลาเราไม่สบายใจขอให้เราทราบไว้เถิดว่าเรากําลังติดเชื้อติดเชื้อของกิเลสติดเชื้อของความโลภความโกรธหลือความหลงพอมีเชื้อเข้ามาในใจแล้ว ใจก็จะไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับกวนกวายกับสับกับสายไม่มีความสุขใจต่อให้ร่างกายสบายขนาดไหนก็ตามถ้าใจไม่สบายแล้วความสบายของร่างกายนี้ช่วยทำให้ใจสบายไม่ได้เลยสิ่งที่จะทำให้ใจสบายก็คือธรรมะ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการรับประทานยาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้จะมีคำสอนอยู่แต่เราไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนมียาแต่เราไม่รับประทานยา ถ้าไม่รับประทานยาโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายเชื้อโรค ก, ก็จะไม่ตายถ้าต้องการให้ใจเราหายจากความไม่สบายใจเราก็ต้องปฏิบัติเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้มาทำลายความโลภความโกรธความหลง ตัวที่ทําให้เราโลภคืออะไรสิ่งที่ทําให้เราโลภก็คือความหลงนี่เองพอหลงเห็นผิดเป็นชอบก็เกิดความโลภขึ้นมาเกิดความชังขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ตามความโลภก็เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเราต้องการจะกำจัดความโลภเราต้องมา แก้ที่ความหลงความหลงคือการเข้าใจผิดเหมือนเห็นแมวเป็นสุนัขถ้าตาเราไม่ดีสายตาไม่ดีมองไกลๆอาจจะเห็นแมวเป็นลูกสุนัข ก, ก็ได้เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกันเราต้องเข้าไปใกล้เราถึงจะเห็นว่า อันนี้ไม่ใช่สุนัขไม่ใช่ลูกสุนัขเป็นแมวแต่มันมีขนาดเดียวกันมีหางเหมือนกันมีสี่เท้าเหมือนกันมีขนเหมือนกันแต่ต้องเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่าออที่เมื่อกี้คิดว่าเป็นสุนัขนี่มันไม่ใช่มันเป็นแมวเพราะว่าพอได้ยินเสียงมันร้องก็อ๋อไม่เหมือนกันละ แมวร้องอย่างหนึง่งสุนัขร้องอย่างหนึง่งส่งเสียงอย่างหนึง่งการเข้าไปศึกษาดูความจริงนี้เราเรียกว่าปัญญาหรือความเห็นที่ถูกต้องที่จะมาแก้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือความเข้าใจผิดเข้าใจว่ า, าลูกสุนัขนี้เป็นแมว หรือแมว น, นี้เป็นลูกสุนัขพอเขาไปดูใกล้ๆถึงจะรู้นี่ก็สิ่งต่างๆที่ทำให้เราโลภเราโกรธกันก็เพราะเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันดีมันจะให้ความสุขกับเราพอเราเห็นสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา เราก็อยากได้ความอยากได้ก็คือความโลภแต่พอเราได้มาแล้วเราถึงจะมารู้ทีหลังว่ามันไม่สุขมันไม่สุขอย่างเดียวมันสุขแต่มันสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพอเราเข้าใกล้พอได้มันมาถึงจะรู้แต่ปัญหาของพวกเราคือ เราไม่จดไม่จํากันเวลาได้อะไรเห็นอะไรอยากได้อะไรพอได้มาก็มีความสุขกันพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่แทนที่เราจะจําได้เราก็ไม่จําเราก็กลับไปหามันใหม่เช่นเงินทองอหรือตาแหน่งต่างๆ เห็นไหมพวกที่สมัครเลือกตั้งกันนี้ก็พอคิดว่าได้เป็นสอสอได้เป็นอะไรจะมีความสุขแต่พอเป็นได้สักพักเดี๋ยวก็หมดวาระหรือถูกปลดหรือถูกปฏิวัติความสุขที่ได้จากตำแหน่งเหล่านั้นก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่เดี๋ยว ถัาวพักหนึ่งก็ลืมพอมีเลือกตั้งใหม่ก็อยากได้ใหม่อยากเป็นใหม่อีกเพราะตอนที่มันเป็นมันสุขแต่ตอนที่มันไม่ได้เป็นมันทุกข์นี่คือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบคือ เข้าของเงินทองต่างๆทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราเรียกว่าลาบตำแหน่งต่างๆยศต่างๆในพลในพันในร้อยในหมื่นในแสนอันนี้เรียกว่ายศตำแหน่งต่างๆสรรเสริญคือการได้รับรางวัลต่างๆเวลาแข่งฟุตบอลชนะเลิศก็ได้รางวัล ที่หนึ่งได้เหรียญทองได้ลูกโลกอะไรทานองนี้เรียกว่าสรรเสริญแล้วก็ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเห็นรูกที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ยินเสียงที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอรูปนั้นหายไปเสียงนั้นหายไป ความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปได้เงินทองมาเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก็หมดได้ใช้แล้วก็ใช้เกินไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษารู้จักแต่จะใช้อย่างเดียว พอเงินไม่พอใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาได้ยศได้ตำแหน่งพอหมดวาระหรือพอถูกปลดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้รางวัลก็ดีใจพอเขาเข่าวไหนไปแข่งขันไปแพ้ไม่ได้รางวัลก็เสียใจนี่คือความเป็นจริง ที่เรามองไม่เห <semana m> <ra> ็นกันเราไม่มองว่ามันเป็นทุกข์กันเรามองว่ามันเป็นสุขกันการเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นี้เป็นสุขก็เรียกว่าความหลงการเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็เรียกก็เป็นความหลงการเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราก็เป็นความหลงถ้าเราเห็น อย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการนี้เราก็จะแก้วความหลงได้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นลาบยศจันทรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา ของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันจบมันจะเป็นมันจะไม่ชเป็นของเราต่อไปเช่นเวลาคนตายเขาก็เสียร่างกายของเขาไปร่างกายที่คิดว่าเป็นของเขาก็กลายเป็นของสับปเปลอไปเป็นของวัดไปส่งให้วัดวัดก็ไม่เก็บเอาไว้ ไว้ก็มีตาไว้สำหรับเผากลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเราทุกคนนี่ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้มีเราคือธาตุห้าเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือเรา เราเรียกว่าเราเราคือธาตรู้พอธาตรู้มารวมกับธาตุสี่ก็เกิดปฏิสนธิขึ้นมาเกิดร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพอร่างกายเติบใหญ่อยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาเราก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเพราะความหลงของเราเราหลงคิดว่า สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะโลภกับสิ่งเหล่านี้ทันทีพอร่างกายเรามีกําลังวังชาที่จะไปหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะไปทันทีไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาสั่งมาสอนเรื่องของความโลภความหลงนี้มีอยู่ในใจ มีอยู่ในธาตุรู้ตลอดเวลาอาศัยธาตุสีคือร่างกายที่เวลามารวมกันก็จะเป็นร่างกายธาตุสีมารวมกันก็จะเป็นร่างกายเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไต เป็นปอดนำไส้เป็นสมองและเป็นน้ำต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำสเลตน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำมันค้นน้ำมันเหลวสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุไม่มีตัวตนเหมือนน้ำในทะเลนี้ไม่มีตัวตนลมหายใจไม่มีตัวตนดินที่เราเหยียบนี้ไม่มีตัวตน แต่พอมันมารวมกันมันกลายมาเป็นร่างกายขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเราคือผู้รู้ผู้คิดคือธาตรู้ก็มาจับจองเป็นเจ้าของเรามาจับจองมามาครอบครองร่างกายแล้วก็เราก็เรียกมันว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเรานี่คือความหลงทำให้เรามาคิดว่า ธาตุาาสีที่เราได้มาจากพ่อแม่นี้เป็นตัวเราของเราพอเราได้มันมาแล้วเราก็ยึดเราก็ติดเราก็หวงเราก็หวงเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปเพราะเราต้องการใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขต่างๆนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายเป็นอะไรไป เราก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ถ้าร่างกายเอามาพึกงรอามาพาดพิกลพิการจะไปหาลาบยศสรรเสริญจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายก็หาได้ยากหาได้ลำบากเราจรึงไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายพิกลพิการไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายตายแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ความจริงของร่างกายมันเป็นไปตามขั้นตอนของมันมันมีขั้นตอนของมันมีทางเดินของมันมันเดินจากเกิดออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ แล้วต่อไปก็จะเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นผู้เจ็บผู้ตายไปต่อไปพอเราไปหลงไปถือว่ามันเป็นเราเราก็เลยทุกข์กับร่างกายความทุกข์ความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากความหลงเกิดจากความโลภจากได้ร่างกายเป็นของเราไป น, นานๆเป็นแบบไม่มีวันสิ้นสุดแต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่มองความจริงเราไม่มองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเราไปคิดว่าร่างกายนี้ต้องเที่ยงต้องอยู่กับเราไปตลอดพอเราเจอความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางที่ไม่ดีเราก็เสียใจกันไม่สบายใจกันสิ่งเหล่านี้ความไม่สบายใจเหล่านี้เราสามารถแก้ได้ ถ้าเราเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วร่างกายของเราจะต้องแก่ไปเป็นธรรมดาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะต้องตายไปเป็นธรรมดาจะต้องพัดพาคจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่คือวิธีแก้ความหลงพอเราคิดอยู่เรื่อยๆเราก็จะจำได้พอเราจำได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากเราไปเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้มันไปเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของใครเขามาใช้เราก็รู้ว่าของที่เรายืมนี่เป็นของที่เรายืมเขามา พอเราใช้เสร็จเราก็เอาไปคืนเขาแต่ร่างกายนี้เราไม่รู้ว่าเป็นของที่เรายืมมาจากธาตุสี่คื อ, อยืมมาจากดินน้ําลมไฟเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปอันนี้ไม่มีใครสอนความจริงอันนี้มีแต่ทุกคนสอนความหลง ว่านีร่างกายเป็นของเธอดูแลรักษาร่างกายให้ดีร่างกายนี้จะอยู่กับเธอไปนานๆแต่ไม่มีร่างกายของใครจะอยู่ไปตลอดแต่ทั้งๆที่เห็นว่าร่างกายของคนทุกคนต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บแต่เราไม่ยอมรับความจริงอันนี้กันถยายามถ้าเรารับความจริงอันนี้เราจะไม่ทุกข์กับมัน ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงหรือไม่รับความจริงไม่มองความจริงชอบไปมองความหลงชอบไปมองความหลงว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงสมบูรณอายุยืน ย, ยาวนานนี่ทุกวันนี้เราต้องโกหกญาติโยมเนนะี่ยเวลามาทำบุญว่าวันนี้วันเกิดขอให้มีอายุมั่นขรัญยืนมั่งมีสีสุขแก้วขาปลอดภัยมันพูดไป ท่านั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เมื่อญาติโยมไม่ต้องการฟังความจริงก็เลยต้องฟังความโกหกพอโกอกให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็ดีอกดีใจสาธุใหญ่ก็เคยพูดความจริงคนกลับโดนเขาด่าหาว่าสาบแช่งว่าย onda, มอย่าลืมนะเดี๋ยวโยมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเนี่ย <ez S 2> <trabajar> มันเกิดเข้ามาอีกปีหนึ่งแสดงว่าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีแล้วน ะ, อะลองพูดอย่างนี้ดูเลยดูโยมคนไหนจะมาทำบุญเนาไม่มาแล้วกูวัดนี่มาแล้วสาบแช่งกูเนีว่ว่าแต่ถ้าบอกว่าคอยอยอยู่ไปเกินร้อยปีอยู่ไปพันปีเนี่ยโอยสาธุสาธุใหญ่ พระอะไรต้องโกหกแต่โกหกแบบที่ญาติโยมพอใจก็เลยไ ม, ไม่ไม่ผิดไม่เป็นไม่เป็นโทษไม่มีใครกล่าวโทษไม่หาว่าพระโกหกหาว่าพระให้พรมาทาบุญให้อยากได้พรพระก็ให้พรขอให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อโรคยาปรมาราพา ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเนี่ยพูดไปโยมก็สาธุสาธุนี่แะปัญหาเป็นอย่างเงี้ยสอนความจริงให้ฟังไม่ยอมฟังชอบฟังความจิความไม่จริงชอบฟังความหลงบอกว่าเป็นหมาก็าไม่เชื่ อ, อต้องบอกเป็นแมวแต่อบอกเป็นแมวถึงเชื่อบอกนี่ไม่ใช่แมวเป็นหมาไม่ยอมเชื่อนะ อันนี้ก็เหมือนกันว่านั่งกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเดี๋ยวต้องพัดภาคจากกันนะพูดอย่างนี้เราไม่เชื่อไม่ยอมฟังไม่อยากฟังแต่ถ้าบอกว่าจะมีมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอายุยืนยาวนานอันนี้เชื่ออยากจะเชื่อนี่แหละคืออำนาจของความหลงที่มันครอบงำจิตใจของพวกเรา มันทำให้เราอยากอยู่ไปนานๆอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปนานๆแต่พอถึงเวลาที่มันต้องจากกันเนี่ยเวลานั้นไปเห็นงานศพเนี่ยเห็นแต่หลังน้ำตาไม่มีใครดีใจกันความที่งานศพนี่น่าจะดีใจกันเพราะจะได้คืนของของเจ้าของเขาไปยืมข อ, ของมาใช้นาน่ะ เวลายืมมาใช้ก็ต้องคอยดูแลรักษาถ้าคืนให้เจ้าของไปก็สบายจะได้ไม่ต้องมามีภาระมาคอยดูแลรักษาเช่นไปยืมรถของเพื่อนมาใช้เนี่ยใช้เสร็จแล้วก็คืนเขาดีกว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวต้องคอยดูแลรักษาเดี๋ยวเกิดมันไปชนกันเราก็ต้องไปซ่อมให้เขาเนี่ยถ้าถ้าไปคืนเขาปับ๊บเราก็หมดภาระไป ความจริงเราควรจะมองความตายว่าเป็นการปลดภาระมากกว่าปลดหนี้ปลดศินเอาของคืนเข้าไปเอาร่างกายที่เป็นรำมาจากดินน้ำลมไฟนี้คืนให้กับดินน้ำลมไฟเข้าไปเพราะเราที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้ก็ไม่รู้กันนี่ก็เป็นความหลงอีกอย่างเราไปคิดว่าเราไปเป็นร่างกายเสซ่เนี่ย าจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นธาตุที่ห้าร่างกายนี้ชีวิตนี้มีห้าธาตุมารวมกันมีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายแล้วมีธาตุห้าคือผู้รู้สึกนึกคิดเนี่ยผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือธาตุที่ห้าธาตุที่ห้านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับธาตุทั้งสี่คือร่างกาย ถ้าทั้งสี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ได้ของมันคืนไปน้ำมันก็ได้น้ำคืนไปเวลาตายไปน้ำในร่างกายมันก็กลับไปหาน้ำน้ำมะน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรนี้มันก็จะแยกตัวออกไปตัวในตัวที่อยู่ในน้ำเลือดมันก็แยกกันออกไปส่วนที่เป็นของของเป็นดินมันก็แยกออกไป เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่แยกออกไปจนเวลามันระเหยเนี่ยเวลาเลือดเวลาเลือดมันแห้งแล้วมันระเหยเวลาเลือดออกมาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันแห้งไอ้ส่วนที่ระเหยนะั่นละคือเป็นน้ำกลายเป็นหมอกเป็นเป็นฝนไปส่วนไอ้ที่เหลืออยู่ที่มันแห้งนั่นเปนน็นเป็นดินธาตุดินมันผสมกันกับธาตุน้ำมันจึงมี เวลาเอาออกมาแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะแห้งที่แห้งก็เพราะว่าที่ธาตน้ามันระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วมันกลับเกินสู่เดี๋ยวมันก็ไปเป็นเมฆเป็นหมอกเดี๋ยวก็กลายเป็นฝนตกลงมาอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในทะเลอยู่ในลาห้วยส่วนในธาตุดินที่เหลือแห้งนี้ถ้าทิ้งไว้ต่อไปมันก็กลายเป็นดินใช่ไมไอ้ไอ้คราบเลือดที่มันแห้งเนะี่ยทิ้งไปนานๆมันก็กลายเป็นดินไป นี่คือดูเสษลองศึกษาดูใกล้ๆร่างกายของเราเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นตัวเราของเราบ้างไม่มีหรอกเรามองไกลๆแล้วก็เลยไปเหมา ว, ว่าเป็นเราเหมือนกับเรามองไกลๆแล้วก็ไปเหมาเหมาลูกหมา ว, ว่าเป็นแมวะถ้านั้นเองเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปดูร่างกายใกล้ๆแล้วดูว่าตัวส่วนไหนมันเป็นเราบ้างผมนี่ พอเราตัดเป็นทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรอเป่าเราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วผมมันทิ้งไปแล้วกลายเป็นอะไรมันก็กลับไปเป็นดินนะทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ผุมันก็พังกายย่อยสลายกลายเป็นดินไปฟันนี่เราถอนออกมาเนี่เวลาเราถอนฟันหมดนี่เราหายไปด้วยป่าตอนนี้เราเวลาทุกครั้งที่เราถอนฟันนี่เราก็ต้องหายไปสักส่วนหนึ่งสิ เราก็จะมีไม่ครบเราก็ยังคิดได้เหมือนเดิมรู้สึกนึกคิดได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีะฟันกี่ซี่หรือไม่มีฟันกี่ซี่ตัวเราไม่เห็นลดน้อยไปกับร่างกายถ้ามันไม่ลดน้อยไปกับร่างกายแล้วเราจะไปเรียกว่าร่างกายเป็นเป็นเราได้อย่างไรถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องลดน้อยไปกับการสูญเสียของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เวลาเราตัดเล็บนี่เราตัวเราก็ต้องน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาตัดผมตัวเราก็ต้องเล็กลงไปเรื่อยๆเวลาเราถอนฟันเราก็ต้องเล็กลงไปเรื่อยๆแต่เราก็เหมือนเดิมเราเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าร่างกายเราจะใหญ่หรือจะเล็กตอนที่เราเป็นเด็กเป็นทารกเราก็รู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็รู้สึกนึกคิดเหมือนเดิม ร่างกายจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนตัวเราตัวเรานี้เหมือนเดิมมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมนี่คือวิธีที่เราจ ะ, <ม>ะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมาแก้ความหลงคือต้องศึกษาเนี่ยท่านถึงสอนให้พิจารณาร่างกายให้เข้ามาดูร่างกายอย่างใกล้ชิดถึงจะรู้อย่าไปเมา พอมองในกระจกก็หมาว่าเป็นเราละพอเห็นนะเห็นเห็นร่างกายพอเรายิ้มมันก็ยิ้มกลับมาหาเราเราก็คิดว่าเรายิ้มความจริงเราสั่งให้ร่างกายยิม้มถ้าเราไม่สั่งให้ร่างกายยิม้มมันก็ไม่ยิม้มใช่ไหมร่างกายมันต้องรอคำสั่งก่อนเราสั่งให้มันแยกเคี้ยวมันก็แยกเคี้ยวสั่งให้มันยิม้มมันก็ยิม้มสั่งให้มันกระพริบตามันก็ถึงี่กระพริบตา ถ้าไม่มีคำสั่งร่างกายมันจะไม่ทำอะไรมันต้องรอรับคำสั่งทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้รอรับต้องมีคำสั่งใครเป็นผู้สั่งเรานี่แหละเป็นผู้สั่งแต่ผู้รับคำสั่งนี้ไม่ใช่เราเราจะไปมาความหลงมันจะให้เราไปรวมกันว่าผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งเป็นคนเดียวกันอันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษา โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้านะที่ทรงสอนว่า เ, เรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆถ้าไม่มีใจร่างกายมันก็นอนอยู่ตรงนั้นเวลาคนตายนี้แสดงว่าใจกับร่างกายนี้แยกกันแล้วยา ก, กันแล้ว ตอนที่มีลมหายใจนี่เหมือนสามีภรรยาเหมือนช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังใจเป็นช้างเท้าหน้าใจเป็นผู้นำผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่พออย่าร้างกันไม่เป็นสามีภรรยากันร่างกายก็ไม่มีผู้สั่งไม่มีผู้นำล่ะไม่มีร่างกายก็เลยทำอะไรไม่ได้ นอนอยู่เฉยๆถ้าอยู่ในท่าไหนเวลาตายก็อยู่ในท่านั้นถ้านั่งตายก็จะนั่งอยู่นั้นจะไม่เปลี่ยนท่าล้หลังจากที่มีการย่าร้างกันหลังจากที่ใจกับร่างกายแยกทางกันแล้วร่างกายมันก็จะกลายเป็นหุ่นเลยเหมือนหุ่นที่เราปั้นขึ้นมาใไ ม, ไม่มีไม่เหมือนไม่ตต่างหุ่นที่เขาใช้โชว์เสื้อผ้าใช่ไห ตามล้านขายเสื้อผ้านี่ก็มามักจะมีหุ่นแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้ามาใส่หุ่นหุ่นก็ยืนอย่างนั้นอยู่อย่างั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าร่างกายไม่เน่านี่ความจริงเราร่างกายนี้ไปเป็นหุ่นได้สบายเลยไม่ต้องไปผลิตหุ่นให้มันเสียเงินเสียทองนะแต่มั น, ม, นมันเน่ามันมันเปื่อยมันมันจะต้องกลายเป็นของที่ไม่น่าดูไป ร่างกายเวลาตายแล้วมันก็จะเริ่มเน่าเปื่อยมันก็จะกลายเป็นของไม่น่าดูแล้วส่งกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนากันนี่คือเราต้องศึกษาแล้วถึงจะแก้ความหลงได้แก้ความหลงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวต้องคืนเจ้าของไปคืคืนดินน้ำลมไฟไป แล้วของต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปแ ห, หมมันมีเงินเศรษฐีมาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านนี่เวลาตายไปเอาติดตัวไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวต้องทิ้งให้คนอื่นเขาไปหมดมีบริษัทกี่บริษัทมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีภรรยาหรือมีสามีมกี่คนก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง มีลูกกี่คนมีหลานกี่คนมีเหลนกี่คนเอาไปไม่ได้เลยเี่เพราะไม่มีอะไรเป็นของเขาเลยเนี่ย้ารู้คือใจนี้ไม่มีอะไรเป็นไม่สามารถครอบครองอะไรได้อย่างถาวรครอบครองได้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คือวิธีแก้ความหลงต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี่ คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหรือคิดว่าของที่เป็นของเรามันไม่เที่ยงมันจะไม่ให้ความสุขเราไปตลอดอเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่หลงกับสิ่งต่างๆจะไม่อยากได้สิ่งต่างๆจะไม่อยากมีสิ่งต่างๆจะไม่อยากจะเป็นอะไรต่างๆ อยากจะอยู่แบบไม่มีความทุกข์อยู่แบบสงบอยู่แบบไม่อยากเวลาใจไม่อยากนี่ใจจะสงบใจจะมีความสุขแล้วใจไม่ต้องมีอะไรนี่แหละความสุขของใจหรือของใจนี้ไม่ต้องมีอะไรถึงจะมีถึงจะมีความสุขที่ใจไม่สุขเพราะมีความหลงคอยหลอกให้โลก พอมีความหลงหลอกให้โลภพอโลภปับ๊บใจก็หิวขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมานำชานใจขึ้นมาทันทีทังเกต ด, ดูเวลาที่เราโลภ ก, กับไม่โลภนี้ใจเราเหมือนกันไหมเวลาอยากได้อะไรนี้เป็นไงกวนกังวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเวลาไม่มีความอยากเราสบายไหมอยู่เฉยเฉยสบาย ปัญหาคือมันมันไม่อยากเดี๋ยวเดียวเป็นพักๆเท่านั้นเองพอสักพักเดี๋ยวก็อยากมีความอยากขึ้นมาความมีความอยากถ้าไม่ทําตามความอยากก็จะงดหยิดําคาญใจก็เลยต้องไปทําตามความอยากพอทําตามความอยากความหงดหยิดความไม่สบายใ จ, มมยใจก็หายไปชั่วคราวเราก็ไดยคิดว่านี่คือวิธีแก้ความไม่สบายใจของเรา แก้ด้วยการทำตามความอยากเวลาอยากได้อะไรก็ต้องไปเอามาพอได้มาแล้วความไม่สบายใจความกวนกวายกระสับกระสายมันก็หายไปแต่มันหายไปไม่นานเดี๋ยวมีความอยากใหม่ขึ้นมาอยากได้อีกได้เพิ่มวันนี้ได้ร้อยนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากได้สองร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กวนกวายเหมือนเมื่อวานนี้ ก็ต้องออกไปหาใหม่อีกเนยหาได้สองร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากได้สามร้อยพอได้น้อยกว่าที่หามาได้ก็ไม่สบายใจวันนี้หาได้สองรอเดี๋ยวพรุ่งนี้หาได้ร้อยหนึ่งก็ไม่สบายใจแล้วไม่พอเอลยนี่คือปัญหาถ้าเราไปแก้ปัญหาแบบนี้เราจะต้องคอยตามแก้อยู่เรื่อยๆว่ามันจะ ม, มีมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมด ถ้าอยากจะใ ห, คห้ความอยากหายไปหมดต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าทรงกระทาคือต้องไม่ทำตามความอยากมันอยากเราก็ยอมทนเอาเวลามันไม่สบายใจหงดุดหงิดลาคาญใจเราถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้เราก็มีวิธีที่จะทำให้ความกังวลกวายหายไปได้ถ้าเรามาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรา ทำใจให้หายกังวลกังวายได้โดยที่ไม่ต้องไปทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาพระเจ้าก็บอกให้ใช้สติใช้บริกรรมพุทโธพุทโธทําใจให้สงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิความกังวลกังวายที่เกิดจากความอยากนั้นก็หายไปแล้วก็เลยไม่ต้องไปทําตามความอยากพอไม่ทาตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดกาลังไป ต่อไปความอยากก็จะไม่มีพอไม่มีความอยากใจเราก็จะสบายไปตลอดนี่แหละคือวิธีที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเราแก้ด้วยการใช้ธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแก้ด้วยการหยุดความอยากฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากด้วยการเห็นความเป็นจริง เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่ได้ทำให้เราสุขไปตลอดมันให้ความสุขเราเดียวเดียวแล้วเดียวสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาสู้ไม่เอามันดีกว่าไม่มีมันดีกว่าพอไม่มีมันไม่ไปอยากวิธีเวลาอยากแล้วมันทรมานเราก็ไปนั่งสมาธิกันใช้คาบริกรรมกันพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวมันก็หายอยากใจสงบมันก็จะหายกาังวลกาวายแล้วต่อไปเราก็จะสามารถกาจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ความอยากทุกชนิดนี้เราใช้วิธีเดียวกันวิธีของสติวิธีของปัญญาวิธีของปัญญาก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่เที่ยมมันไม่ใช่เป็นของมันจะไม่เป็นของเราไปตลอด ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันพัดภาคจากกันเขาไม่จากเราเราก็จากเขาไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเวลาจากกันก็จะทําให้เราทุกเวลามันไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงทําให้เราทุกเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะได้ไม่อยากมันพอเราไม่อยากมันแต่ความอยากมันยังดื้ออยู่มันไม่ยอม มันไม่ยอมเชื่อความจริงเราก็ต้องใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธทำจิตให้สงบพอจิตสงบความอยากก็จะหยุดไปที่มันไม่หยุดเพราะว่าจิตมันไม่สงบจิตมันไม่เคยหยุดนะถึงแม้จะสอนมันมันก็ไม่เชื่อเอาเวยสอนคนกินเหล้าอเปล่อยากกินเหล้าเลยเอล้กินเหล้าเดี๋ยวก็หายกินแล้วมันก็ต้องกินไปจนวันตาย ถ้าไม่ฝืนไม่หยุดมันมันไม่มีวันหยุดเองเี่ยไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อเขาก็รู้บอกมึไมงมไม่ต้องบอกกูหรอกกูก็รู้แต่กูหยุดไม่ได้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นหยุดไม่ได้รู้ก็รู้อยู่ว่ า, าดื่มสวราแล้วมันติด เ, เสพยาเสพติดแล้วมันติดเนี่ยแต่เวลามันอยากนี่มันทรมาน พอได้ดื่มเนื้อมันหาให้ทรมานมันก็เลยทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องคอยทําตามความอยากไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราติดอย่างไหนลองลองเลิกมันดูสิติดเที่ยวลองเลิกเที่ยวดูสิติดซื้อของช้อปปิง้งซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆลองลองติดอะไรแล้วบอกให้มันเลิกดูสิตอนนี้ติดไลน์กันหรือเปล่าติดไลน์ติดเกมกันหรือเปล่า เหมือนกันทั้งนั้นอ่ะของที่ติดติดนี่แสดงว่าเพราะมันอยากเพราะมันได้ความสุขเวลาที่ได้เล่นกับมันได้มีมันแต่ไม่ได้คิดถึงตอนที่เวลาไม่ได้เล่นมันเมันทรมานไหมเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเช่นไม่สบายไปไม่ได้หรือเงินไม่พอไปไม่ได้มันก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาถ้าเรามาฝึกสติพุโทโธพุโทโธ เวลาเราไปเที่ยวไม่ได้เวลาไปทําอะไรที่เราอยากทําไม่ได้เรามาพุทโธพุทโธกันถ้าเราสามารถพุทโธไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวความทรมานใจมันจะหายไปแล้วต่อไปเราก็จะเลิกทําตามความอยากได้ทุกครั้งที่เราอยากเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแต่ก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหาได้เราต้องมาหัดพุทโธให้เป็นก่อน ถ้าเราพุทธโธไม่เป็นพอถึงเวลาเกิดความทรมานใจขึ้นมาพุทธโธไม่ออกนะเชื่อไหมมันจะคิดแต่ของที่เราอยากอย่างเดียวถ้าเที่ยวมันก็จะคิดแต่เที่ยวเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวถ้าอยากจะดื่มสุรามันก็จะคิดถึงสุราสุราอย่างเดียวมันจะไม่ยอมคิดถึงพุทธโธนั่นเราต้องมาหัดทำพุทธโธก่อน มาหัดทำพุทโธตอนที่ช่วงที่ไม่มีความอยากช่วงตอนนี้ไม่มีความอยากเรามาฝึกพุทโธกันเดูมหัดท่องพุทโธพุทโธลองท่องให้มันได้สักชั่วโมงหนึ่งเนียไม่ต้องไปคิดอะไรท่องไปภายในใจไม่ว่าจะอยู่ในเอรรยาบทใดทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดลองมาคิดพุทโธพุทโธกันดูลองนึกไปในใจเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป รับองได้ว่าต่อไปมันจะทําได้เวลาเกิดความอยากเกิดความทรมานใจเราก็นึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเดี๋ยวความอยากก็จะสงบตัวลงความทรมานใจก็จะหายไปนะี่แหละนี่แหละคือวิธีแก้ดีกว่าต้องเสียเงินเสียทองพออยากเที่ยวก็ต้องเสียเงินเสียทองไปแก้ความทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมา ไปเที่ยวเสร็จเสียเงินไปก้อนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาความอยากเที่ยวใหม่มันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าเราหัดใช้พุทโธเป็นพออยากเที่ยวเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความทรมานที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปพอหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินเงินก้อนนั้นก็เก็บไว้ในกระเป๋าได้ เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้เป็นประโยชน์เอาไปซื้อข้าวกินเอาไปรักษาพยาบาลร่างกายได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้นี่พุทโธจึงมีค่ายิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถมากำจัดความอยากได้แต่พุทโธนี่หยุดความอยากได้กำจัดความอยากได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็พุทโธพุทโธไป เราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากทาแล้วมันไม่มีวันจบทาแล้วมันจะต้องเจอความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต้องมีปัญญาทำไมต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันไม่เชื่อไงต้องสอนมันว่าทาไมเราต้องไม่ทาตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากมันทำให้ใจเราทุกข์แล้วจะไม่มีวันหายทุกข์เพราะว่าความอยากมันจะไม่หายถ้าเราทำตามความอยากไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้ความอยากหายไปเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมก็ได้ เดินจงกรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอยู่ในบ้านก็เดินรอบบ้านไปพุโทโธพุธโทโธไปเดินจนกระทั่งความอยากความอยากมันหายไปพอความอยากหายไปใจก็อยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนี่คือวิธีแก้ความหลงวิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความหลงมันหลอกให้เราอยาก อยากหลอกให้เราโลภพอเราพอเราโลภแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราแก้ความหลงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขจริงๆไม่มีอะไรที่เราได้มาแล้วจะสุขไปตลอดะได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มามันจะต้องหมดไปพอหมดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา พอเรารู้ต่อไปเวลาจะอยากได้อะไรเราก็จะบอกมันอย่าไปเอานะได้มาแล้วมันทุกข์เหมือนกับถ้าเราเห็นป้ายเขาติดไว้บนเครื่องดื่มว่าอันตรายมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกสองชิ้นคาดอยู่ที่ติดอยู่ที่ที่ที่ขวดเครื่องดื่มว่าระวังอันตรายเป็นยาพิษเนี่ยถ้าเราเห็นป้ายนี้ ปั๊บนี่เราจะกล้าไปซื้อมาดื่มไหยไม่ดื่มนะถ้าซื้อมาก็ซื้อให้คนอื่นดื่มแต่ตัวเองไม่ดื่มนะเช่นบางทีต้องการที่จะเบื่อหนูเนี่ยไปซื้อยาเบื่อมาที่ยาเบื่อเขาก็จะมีติดเครื่องหมายอันตรายไว้อันตรายของมีพิษเนี่ยถ้าเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องก็จะเป็นเหมือนกับมีป้ายติดไว้กับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้เป็นเหมือนยาพิษทั้งนั้นเลยอยากได้ลาบก็เป็นยาพิษอยากได้ยศก็เป็นยาพิษอยากได้สรรเสริญก็เป็นยาพิษอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เป็นยาพิษทั้งนั้นเป็นทุกข์คำว่ายาพิษก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาติดป้ายกันแต่เราไม่ยอมติดป้ายกัน พระเจ้าบอกให้ติดป้ายอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไว้กับทุกแห่งทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเลยฮนิจจังก็คือเที่ยงแท้แน่นอนสุขขังก็สุขอัตตก็เป็นตัวเราของเราไม่มีให้เอาสติ๊กเกอร์ของพระพุทธเจ้าไปใช้กันบ้างทีเนี้พระพุทธเจ้าแจกสติ๊กเกอร์กันแต่ไม่ยอมเอาไปใช้กันฮ ะมันทุกข่งเลยเจอใครก็ปะเจอสามีก็ปะเลยนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเจอภรรยาก็ปะ อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาเจอลูกก็ปะ อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาเจอเงินก็ปะเจอตําแหน่งอะไรต่างๆก็ปะมันไปหมดเลยจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่อยากจะได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้แล้วจะไม่ทุกข์ ถ้าปะไว้ที่ภรรยาหรือสามีเกิดเขาจากเราไปหรือเขาแยกทางกับเราเราก็จะไม่ทุกข์นะถ้าไม่ปะไว้เสียเวลาเขาไปนี่เราจะทุกข์มากเพราะเราจะเสียใจเพราะเราอยากไปคิดว่าเขาเป็นของเราเขาจะให้ความสุขกับเราอยู่นั่งปะป้ายนี้สติกเกอร์นี้สาคัญนะถ้าใครสามารถติดสติกเกอร์กับสิ่งต่างๆที่เราได้มาพบปะนี่ไม่ว่าเจอใครปะไปเลยเห็นอะไรก็ปะไปเลย แล้วมันจะได้ไม่อยากได้ถ้าไม่ปะปับเดี๋ยวอยากได้ไงเห็นมเห็นแผน่นเห็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆโฆษณาคอนโดหน่อยก็อยากได้ขึ้นมาโฆษณารถรุ่นใหม่ออกมาอยากได้กันขึ้นมาเพราะไม่มีสติ๊กเกอร์กันแล้ว เ, เอาสติ๊กเกอร์อนนี้จังทุกขังอน้าตาไปปะไว้แล้วต่อไปนี่เห็นอะไรจะไม่เอาและวไม่อยากจะทุกข์นี่แหละคือความจริง ความทุกข์ของพวกเราเพราะเราขาดสติกเกอร์กันเรามีแต่สติกเกอร์นิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็นิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรโอ้ได้มาแล้วเป็นของเราแล้วจะมีความสุขมากมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเห็นไหมเวลาหนังจบเขายังบอกพระเอกเจอนางเอกแล้วก็จะอยู่กันไปตลอด <laughs> นิจจังสุขขังอัตตา อยู่ในโลกทุกคนก็สอนให้เรามองอย่างนี้กันเว mm. ลาแต่งงานกันก็เลี้ยงฉลองกันมาร่วมแสดงความยินดีกันอ๋อขอ้อยู่คอยสุขกันไปจนวันตายนะที่ไหนได้ไม่มอข้าวยังไม่ทันดาก็ตีกันแล้วนี่แหละเพราะไม่มีสติ๊กเกอร์คอยเตือนใจไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาคอยเตือนใจ คิดว่าทำได้ในของง่ายๆแค่นี้เองสามคำนี้ท่องไว้ในใจเ <c oughs> จออะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ถ้ามันไม่ยอมหยุดมันยังอยากได้อยู่ก็พุทโธพุทโธไปหรือใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาแทนก็ได้แทนพุทโธก็ได้เนี่ยอานิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นคำราระกรรมแทนพุทโธได้หรือคําเดียวก็ได้อนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้ท่องคําไหนคําหนึ่งก็ได้ แล้วเดี๋ยวใจมันก็จะหยุดความอยากได้ลองท่องดูนะลองใช้คําบริกรรมเหล่านี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วต้องเข้าใจความหมายนะอย่าเป็นแบบนกแก้วนกแก้วมันก็ท่องแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันก็เขี่ยทิ้งพอหยิบกล้วยให้มันมันก็คว้ามาพอเราไปเจออะไรเข้าเราก็ท่องอันนี้จังทุกขังอนัตตา แต่มือเราก็ไปหยิบกระเป๋าเงินมาจ่ายของที่เราอยากได้อันนี้ก็แสดงว่าท่องแบบนกแก้วท่องแบบว่าไม่ไม่ถึงใจไม่เข้าใจมันต้องถ้าเห็นนันนี่จังทุกขังอนาตาจริงๆมันจะกลัวมันจะไม่อยากได้มันจะไม่อยากเข้าใกล้มันจะไม่อยากมีเหมือนกับเรากลัวลูกระเบิดเนี่ยถ้าเขาติดป้ายว่าระวังอันตรายลูกระเบิดเนี่ยพอเห็นอย่างนี้กลัวเลยถอยเลย ไม่อยากจะเสี่ยงอหรือถ้าเวลาขับรถไปเขาติดป้ายไว้ข้างหน้าว่าอันตรายข้างหน้าถนนขาดเนี่ยพอเขียนป้ายแค่นี้ก็กลับรถกันแล้วอะอ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับป้ายต่างๆที่เขาเตือนภัยเราว่ามันอันตรายของพวกนี้มันอันตรายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทําให้เราทุกข์ จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราเห็นป้ายแล้วใจมันยังดืออ้อยังไม่ยอมเชื่อป้ายเราก็ต้องหยุดมันต้องใช้คำบริกรรมหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปนทท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่าปล่อยให้มันคิดว่าดีว่าสวยว่างามอย่าไปปล่อยให้มันคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอนตตาถ้าเราหยุดความคิด ยึดจังสุขขังอัาตาได้ให้มันคิดแต่อา น, นิจังทุกขังอนาตาได้เดี๋ยวมันก็หยุดความอยากได้ถ้าเราท่องเฉยๆแล้วไม่เข้าใจความหมายเราก็ต้องนึกภาพดูอา น, นิจังเป็นไงก็ดูของต่างๆที่เราซื้อมาเวลาได้มาใหม่ๆมันดีไปหมดนะพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเก่าแล้วเริ่มเสียแล้วเริ่มทำให้เราปวดหัวแล้ว หรือนึกภาพเวลาได้มาแล้วมันหายไปซื้อเครื่องใหม่มาเผลอไปวางไว้ที่ไหนคนอื่นหยิบไปใจหายวูบเลยตกใจเสียใจต้องนึกภาพความไปนนิจจังว่ามันเป็นยังไงก็คือมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรือไม่เป็นของเราไปตลอดของที่เราถูกขโมยไปนี้ก็ถือว่าเป็นของคนอื่นเข้าไปล้ะ แต่ยังว่าขาโมยนี่เป็นเจ้าของเดิมก็ามาขอเอาของเขาคืนไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์เราคิดว่ามันเป็นของเขาเมื่อเขา เ, เจ้า เ, าเป็นเจ้าขอเป็นเจ้าของเราไปเอาของเขามาตอนนี้เขาต้องการเอาคืนก็กกคืนไปร่างกายก็เป็นของดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาเขาจะคืนก็กคืนไป ถ้าอยากจะดูว่าร่างกายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไงก็ไปดูตอนที่เขาเก็บกระดูกตอนที่เขาเผาร่างกายเวลาเผาร่างกายน้ำในร่างกายมันก็จะถูกเผาให้มันละเหยกลายเป็นกลายเป็นละอองขึ้นไปส่วนที่เหลือก็จะเป็นดินพอเผ า, าเสร็จความร้อนทั้งหมดก็จะหายไปลมก็หายไปเหลือก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน เหลือแต่ขี้เท่าเหลือแต่เศษกระดูกเนี่ยนี่วิธีคืนร่างกายให้กลับตินน้ําลมไฟไปคืนแบบนี้ถ้าเราไม่ไปนึกภาพเราจะไม่เห็นบั่พยายามนึกภาพอยู่เรื่อยร่างกายของพวกเราทุกคนเดี๋ยวก็จะต้องไปอยู่ที่วัดกันไปเข้าเตาให้เขาไปแยกาธาตุกันแยกาธาตุสี่ให้าธาตุน้ำกลับไปสู่น้ำให้าธาตุลมไป สู่ลมให้ธาตุดินไปสู่ดินให้ธาตุไฟไปสู่ไฟดูบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วมันจะทำให้ใจเร า, เาน้อมรับความจริงอันนี้ได้คือยอมปล่อยวางยอมให้ร่างกายยอมคืนเจ้าของยอมคืนร่างกายให้กับเจ้าของไปคืนให้กับดินไปคืนให้กับน้ำไปคืนให้กับลมไปคืนให้กับไฟไปต้องคิดบ่อยๆ พอไม่คิดก็เหมือนกับว่าเราดูไกลๆพอดูไกลๆภาพมันจะเปลี่ยนไปเวลาดูแมวกับหมาใกล้ๆมันจะเห็นชัดว่าอะไรเป็นแมวอะไรเป็นหมาพอดูไกลๆนี่มันอาจจะมองผิดก็ได้เห็นแมวเป็นหมาไปเห็นหมาเป็นแมวไปนั่งกายก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูบ่อยๆเนี่ยเหมือนเราอยู่ไกลแล้วแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา จะกลับไปเห็นว่ามันเป็นเราของเราขึ้นมาจึงต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนือ ง, องให้คิดอยู่บ่อยๆให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆของพวกนี้มีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจเพราะถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุดินน้ำนองไปไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอ่ะมันจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนความหวาดกลัวกับเรื่องของร่างกายจะไม่มีความหวาดกลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปจะตายไป ยังไม่มีเป็นก็เป็นไปเลยมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นธาตุสี่เราเป็นธาตรู้เราไม่ได้เป็นธาตุดินน้ํานมไฟเราเป็นธาตรู้ผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองธาตุสี่เท่านั้นเองมาเป็นเจ้านายของธาตุสี่เราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าเราสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความหลงตามความอยากของเรา แต่ถ้าเราไม่หลงแล้วเราไม่หลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาอะไรมาให้เราอีกต่อไปพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวล แต่ถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายยังต้องอาศัยร่างกายให้พาเราไปหาอะไรต่างๆอยู่เราก็ต้องกลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะถ้ามันเป็นอะไรแล้วเราจะไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้เช่นเวลาเราเกิดเป็นพิกลพิการไปเป็นอมเพิกกรรมภาพไปจะไปไหนมาไหนเองไม่ได้ทีนี้นะ่ เราก็จะลำบากถ้าเรายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่แต่ถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็อยู่เฉยๆไม่ไปหาอะไรก็ได้เรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องหาอะไรเวลาใจไม่มีความอยากสบายไหมสบายใช่ไหเท่านั้นแหละขอให้เราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสบายอยู่เป็นสุขได้อยู่เฉยๆได้ มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็จะไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีอะไรจะมาทำให้เราต้องวิตกกังวลเนี่ยนี่แหละคือประโยชน์ของการที่เรามาแก้ความหลงกันแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจังสุขขังหนาตาไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยถ้าเราแก้ความหลงเหล่านี้ได้แล้วเราจะสบายเพราะหนึ่งเราจะไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการมีอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราต้องทุกข์กับมันทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนเจ้าของมันจะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปของเสียก็กลายเป็นของกองขยะไปของที่เราซื้อมาถ้ามันเสียใช้ไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งไปหรือทําถูกขโมยไปก็เป็นของขโมยไป ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อย่าไปมีดีกว่าถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรสูญเสียเมื่อไม่เมื่อเมื่อไม่สูญเสียอะไรก็จะไม่มีความทุกข์ ف. ความทุกข์เกิดจากการสูญเสียการสูญเสียเกิดจากการมีถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียก็จะไม่ต้องทุกข์งั้นอย่าไปมีอะไรใจเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้วพระอันพระ สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีตายไปท่านก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่กันแต่พวกเรานี้ยังต้องมีร่างกายกันอยู่เพราะเรายังต้องการสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ยังต้องการราบยศสรรเสริญยังต้องการรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เพราะเราถูกความหลงหลอกให้คิดว่าราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัด ต, ตานั่นเองเป็นสุขเป็นความสุขที่ถาวรยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของเราไปตลอดเราเลยกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ แล้วพอมาเจอของจริงเข้าพอมันเปลี่ยนไปปั๊บก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ลืม ล, ลืมเดี๋ยวเดียวเสียใจเดี๋ยวเดียวเสียแฟนคนนี้ไปเดี๋ยวเดียวอีกปีสองปีมีแฟนใหม่ใหม่ละลืมว่าลืมว่าแฟนใหม่ก็จะเป็นเหมือนแฟนเก่าก็จะคิดแบบเดิมจะคิดว่าแฟนใหม่นี้จะต้องดีกับแฟนเก่าจะต้องอยู่กับเราต้องไม่จากเราไปอีกมันจะหลอกคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้ปัญญาคอยมากแก้ความคิดเหล่านี้เราต้องคอยเตือนว่ามันไม่ทุกอย่างมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะ่ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่หรือแฟนอนาคตเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นะอยู่แบบไม่มีแฟนเดียวกันแลจะไม่มีการสูญเสียแฟนจะไม่มีการเศร้าโศกเสียใจกับการที่ไม่มีแฟนที่สูญเสียแฟนไปนะนี่คือเรื่องของความหลงและวิธีแก้ความหลงวิธีแก้ความหลงก็ต้องเอาความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสโรมาแก้ พระพุทธเจ้ามองเห็นคนเดียวพวกเราเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอันนีจังทุกขังอนัน ต, ตากันเราเลยต้องอาศัยคนตาดีมาสอนเหมือนกับมีคนตาดีมานำทางถ้าเราเดินไปไหนมาไหนคนตาบอดเดินไปไหนมาไหนนี่เดี๋ยวก็ต้องเดินชนนั่นชนนี่เดนเนินเหยียบนู่นเหยียบนี่ตกหลุมตกบอ่อแต่พอเรามีคนตาดีพาเราไปนี่เราก็สบาย นี่ก็เหมือนกันเรามีพระพุทธเจ้าคนตาดีมาบอกพวกเราคนตาบอดให้เราเปลี่ยนทัศนาคติให้เรามองโลกในมุมใหม่อย่าไปมองว่ามันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาให้มองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะได้ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะเราสามารถอยู่แบบไม่มีอะไรได้และมีความสุขกับ มีเสียอีกนี่นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดฉลูแล้วนามาสั่งสอนพวกเรามาแก้ความหนงของพวกเราเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะแก้ความหนงแก้ปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ได้ในขณะนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากใจ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปปับปติ อิจิตางปฏทิตางตุมหังคิดว่าเมวะสะมิจจโตสพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโชติราโสยะ ถสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโสุขัง าาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา379ย t u b บ223วิทยุออนไลน์29รับฟังข้างบนนี้41คนรวมทั้งหมด672ครับ อ, อันนี้อยู่ในเกณฑ์ ใครมีคำถามอยากถามอะไรช่วงนี้ก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีคำถามที่นี่ก็เอาคำถามทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากข้างบนนี้นะครับการทำบุญถ้ามีเพื่อนโทรบอกว่าฝากทำบุญให้ด้วยนะด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้หลังจากที่เรากลับมาจากการทำบุญแล้วและเพื่อนคนที่โทรมาบอก ก็ไม่ได้นำปัจจัยมาให้เราคำถามนะครับมีสองข้อคำถามที่หนึ่งบุญที่เราทำไปให้เพื่อนผลบุญนั้นจะเกิดขึ้นกับใครรายชื่อที่ทำบุญไปเป็นชื่อของเพื่อนเจ้าค่ ะ, ะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรายินดีทำคิดว่าเป็นของเราก็จะเป็นของเราว่ามันเป็นเงินของเรา แล้วเราไม่คิดที่จะไปเอาเงินของเขาคืนมาเราก็เป็นของเราไปแต่ถ้าต่อมาเขาเอาเงินมาให้เราถ้าเรารับเงินเราก็สแสดงว่าเราก็คืนบุญส่วนนี้ไปให้เขาไปแต่ถ้าเราไม่มีใจที่จะไปกังวลกับเรื่องเงินที่เขาบอกว่ายังไม่ได้ให้เรามาเราคิดว่าเงินที่เราออกไปก่อนนี่เป็นการทำบุญของเราไป เราไม่ต้องเราไม่หวังเงินจากเขาเราก็จะได้บุญเราก็จะเป็นบุญของเราไปคําถามที่สองในกรณีนี้เราควรบอกหรือเตือนเพื่อนดีไหมว่าฝากทําบุญมาเพราะไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะเกรงใจครับอ๋อของนี้มันพูดได้ในเมื่อเขาบอกเราเราทําไมจะบอกเขาไม่ได้ใช่ไหมก็เตือนเขาหน่อยแต่เพราะว่าเอ้ย บอกว่าจะส่งเงินมาให้เราออกไปก่อนแล้วจะส่งมาแล้วไม่ส่งไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเราจะได้ถือว่าเราเป็นทำบุญไปเราต่อไปก็อย่าไปเชื่อเขาอีกกแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าเขาบอกให้ทำบุญฟังให้ออกเงินไปก่อนก็ทำอีกอต่เชื่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะเราเชื่อแล้วเราได้บุญเราถูกหลอกแต่ เราได้บุญก็ไม่ขาดทุนแล้วไม่เป็นไรคำถามต่อไปจากคุณประเวศการภาวนาทำให้มากผมสังเกตดูเห็นทุกที่ปรากฏเกิดและแสดงในกายใจตัวเองขณะนั้นผมเดินทางถูกแล้วใช่ไหมครับก็มันเห็นทุกก็กเป็นการ มีมีปัญญาเพราะเรามักจะไม่เห็นทุกข์กันเรามักจะเห็นแต่สุขกันถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นทุกข์เนียเราก็จะเริ่มมีปัญญานะเดี๋ยวลองให้อาจารย์โกก็ถามก่อนนะอาจารย์โกพูดเบาๆหน่อยเนะพราะเสียงอาจารย์ดังครับวันนี้ไม่มีเสียงสอนสอนไปสิบอ็ดรอบ อาจารย์ครับตอนอครั้งที่แล้วได้พูดถึงห้ามาสกกับอุตริมนุษยธรรมระหว่างที่อัญญากนทัญญะได้ลากลับบ้านไปแสดงธรรมเพื่อที่จะลาตายก็คือลานิพพานอยากทราบว่าทําไมพระโต้งให้อัญญากนทัญญะแสดงธรรมบนอากาศครับอาจารย์คำถามแรกคําถามที่สองห้ามาสกที่กล่าวถึงปาราชิกเส ห้ามมาสกคืออะไรมีความสำคัญขนาดไหนทั้งห้ามเข้าไปในอยู่ในปลาชิกครับคือเรื่องแสดงธรรมบนอากาศนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นการโปรดมารดาของท่านเพื่อให้มารดาเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้ถ้าแสดงธรรมนั่งนั่งธรรมดาบุญพื้นนี่มันอาจาจะไม่มาหัตจันทร์ก็เห้แสดงธรรมบญอากาศเป็นการ คลายเหมือน ก, นกับสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นส่วนห้ามาศกนี้ก็คือมันเป็นปริมาณของทรัพย์ที่พระขโมยมาที่คาว่ามาศกนี้ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่กันเขาคิดเขาว่าเท่ากับหนึ่งมาศกเท่ากับหนึ่งเมล็ดข้าวหรือเปล่าไม่รู้ใครได้ยินเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นคือทองคำเท่ากับหนึ่งเมล็ดข้าวเรียกว่าหนึ่งมาศก เห็นถ้าต้องถ้าขโมยต่ำกว่าห้ามาสกก็ยังไม่ถือว่าเป็นประหลาชิกหนุนสมัยนี้ถ้าถ้าขโมยเงินต่ำกว่าหมื่นหนึ่งไม่ถือว่าเป็นเอ่อเป็นผิดกฎหมายถ้าถ้าเกินหมื่นหนึ่งถึงจะถือว่าผิดกฎหมายอ๋อเป็นอัตราส่วนของเงินสมัยก่อนมาสกนะคใช่ครับคําถามต่อไปคือเมื่อวานนี้ เมื่อกี้ผมได้เรียนบอกอาจารย์ไปแล้วว่าตอนที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างคนรู้จักกับไม่รู้จักอันนี้มันเป็นพี่น้องเราเองเราก็เลยสะเทือนใจเมื่อก่อนปรารถนาไม่ปรารถนาโขเคยสอนเด็กเป็นฝงฝงแล้วก็ปรารถนาจะให้เด็กเก่งท้ายที่สุดมาทามาฟังทำที่นี่ก็ไม่จำเป็นใครจะเก่งก็ได้ใครไม่เก่งก็ได้สรุปแล้วก็จัดอยู่ในดอกบัวสี่เหล่าห้าเหล่าตามเรื่อง ว่าใครจะได้ไม่ได้ข อ, อเลยมาเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับตอนที่คนเขาเอาทรัพย์สินมาให้เราตอนมีเรามีค่าตอนนี้คือตัวกูเองเป็น Net i ไ o l แล้วมีแต่คนเอาผลประโยชน์มาให้กดไลค์กันถิงห7เจแสนคนทุกวันจะต้องมีคนมาเอาผลประโยชน์เราจะทำไงไม่ให้ตัวเราอะรู้สึกว่าโอ้โห อย่างนั้นอย่างนี้คือโกไม่อยากได้ส่วนที่เขาโกหลงหลงละเริงฮรัเพราะมันหลงละเลิงไปแล้วนะอาจารย์ไปซะแล้วถ้าเขาได้ความสุขจากการเสียสละของเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการทําทานแจกทานไป ธรรมะละเอียดอ่อนเมื่อกี้กล่าวถึงปราดชิกเสร็จปั๊บตัวตัวโขอเองมันกึ่งบวชกึ่งคนธรรมดาเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมันก็จะใช้ธรรมของของตอนเป็นพระช่วยแต่ว่าตอนที่เราเป็นคารวาสเนี่ยเป็นพุทธมามะกะธรรมดาแม้กระทั่งตอนทําบุญตอนนี้ยังเลือกอยู่เลยระหว่างแบบนี้กับแบบนั้นแบบนั้นเอาตังเราไปทําแปล ก, แ, ปกแบบนี้ไม่เอาเพราะเรารู้ตรงเนี้ย เราจะใช้ทรมารคข้อไหนลัดกลุ่มว่าให้ไปหมดเลยนะ่ะตอนนี้ผมทำเรื่องอภัญธานสำเร็จแล้วก็คือไม่เอานี่กับใครเลยไม่ว่าจะเป็นห้าร้อยถึงสองหมื่นแม้กระทั่งสละที่ให้คนเป็นแสนแสนก็ได้แต่คราวนี้อยากถามอาจารย์ว่าทำไมในหัวเนี่ยมันติกตกต๊กตอกติ๊กตอกเวลาจะทำบุญชอบแยกแยะว่าคนนั้นคนนี้เขาจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาตังเราไปทาแปลกหรือเปล่า อันนี้มันก็เป็นธรรมดาเวลาเราจะให้เงินใครไปเราก็อยากจะเห็นมันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดไม่อยากให้เกิดโทษกับผู้รับถ้าเราให้คนที่เขามาโกหกหลอกลวงเรานี่เราก็ไปส่งเสริมให้เขาทาบาปล้วก็ไม่ควรทำเขาไม่ได้เขาเขาได้โทษมากกว่าได้ประโยชน์จากการเสียสละเงินทองของเรา แต่ถ้าเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนดีเขาเอาเงินทางที่เราให้ไปทําประโยชน์ต่อเราก็อยากจะให้เขาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะให้ของใครเราก็ต้องดูความเหมาะสมของผู้รับเงิก็ไม่เป็นไรใช่ไมอาจารย์ไม่เป็นไรไ ม, นไม่เป็นไรตัวของผมเองมาถึงพระยทานแล้วเวลาเข้าสว่อันดับต่อไปที่อาจารย์บอกให้มองสติ ก็ไม่มีอย่างอื่นก็ต้องมองสติต่อใช่ไหมครับก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วสติจะเป็นคอยคนตัวควบคุมใจไม่ให้ไปโลภไปโกรธไม่หลงออพอโลภปัําใจมันจะรู้ทันทีสติก็หยุดมันได้ทันทีเวลาเราจวนเจียนหมดเพราะเราแก่แล้วถึงเวลาเสร็จปั๊บตอนเด็กๆ เ, เร า, ายังมีเวลาทิ้งโคง้งอีกหลายโคง้งตอนนี้โข่ห้าสิบห้าแล้วโค้งสุดท้ายแล้ว พระอาจารย์คิดว่าคนที่อายุขนาดเราไม่รู้ความตายว่าวันไหนจะมาเยือนห้าสิบห้าเนี่ยเรียกแก่ไปสําหรับธรรมะไหมฮะแต่ว่าไม่เป็นไรสําหรับความตายนี้ธรรมะบอกตายได้ทุกเวลาไม่ได้อยู่ที่ว่าห้าสิบห้าหรือยี่สิบห้าเด็กเกิดมาวันแรกตายไปก็มีเจ็ดวันตายไปก็มียนันเรื่งสำหรับความตายนี้พระพุทธเจ้าว่าพวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่นี้มีโอกาสตายเท่ากัน ไม่ว่าห้าิบห้าหรือเจ็สิบเอ็ดือแปดสิบเ้าถึงเวลาจะตายมันไม่แน่ใจใช่มันไม่แน่นอนคำถามสุดท้ายครับตอนเราปอบโยนความตายโกได้ดูพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าให้ไปถามว่าบ้านไหนไม่มีคนตายมัง่งเขาก็ไปเดินถามท้ายที่สุดแล้วทุกบ้านมีคนตายตอนที่พระพุทธเจ้ากําลังจะนิพพานพระอา น, นุ์ได้เสียใจร้องไห้อย่างหนักพระธงค์ได้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมะ ผู้นั้นเห็นเราแล้วก็จบคำพูดแบบสั้นๆอยากจะถามอาจารย์ว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราตอนที่พระพุทธเจ้าอธิบายได้หันไปมองแม่น้ำลำทานต้นไม้แล้ว ก, ก็บอกว่าทั้งหมดถ้า อ, อนอนท์เห็น อ, อนอนท์จะเห็นเราอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคำถามสุดท้ายคือพระพตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายพวกเราไปติดอยู่ที่ร่างกายของพระพุทธเจ้า แล้วพอเวลาร่างกายของพระพุทธเจ้าจะกลับคืนสู่ดินน้าลมไฟเราก็เสียใจแต่ถ้าเรามีธรรมเราเห็นธรรมเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากดินน้านมไฟกลับคืนสู่ดินน้ํานมไฟถ้าเห็นเห็นธรรมเห็นอะไรก็จะว่าเห็นพระพุทธเจ้าตอนที่ร่างกายมันติดกันกับใจเปรียบเสมือนเหรียญบาทที่มีเหรียญสิบ ที่มีความเหลืองกับความขาวอยู่ด้วยกันเคาะกันสนิทกายกับใจเมื่อกี้อาจารย์ให้แยกระหว่างกายกับใจว่าให้แยกมันออกเราไม่ติดตัวพี่ก็คือตัวบ่าวก็คืออาจารย์แยกแต่ความจริงเวลาหยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อเพราะนั้นจะมองให้มันละเอียดใช้จกักษุทิพมองตอนเกิดความเจ็บเวลาใครมาตเราเราก็ไม่ยอมเหมือนที่อาจารย์คะเล่าครั้งที่แล้วว่า คนทันะอันสองคนคือพระสองคนที่คนหนึ่งคือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรอาจารย์บอกจะหนีก็ได้ไม่หนีแต่ปล่อยให้โจรตีตายใช่อันนี้ัหมครับธรรมะใช่ถ้ามีธรรมะแล้วจะแยกใจออกจากร่างกายได้จะรู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้ไม่สามารถเข้าถึงใจได้ถ้าใจหลงใจไปติดกับร่างกายไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใจก็เลยเจ็บไปกับร่างกายทั่านั้นเอง พอใจมีปัญญาแยกออกจากกันได้ก็จะรู้ว่าเวลาร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บไปด้วยเั้นใจไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายจะเจ็บจะตายใจเฉยๆเหมือนไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายกว่าจะถึงวันนั้นอาจารย์วันนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับกราบสว ด, ดีอาจารย์สาธุครับพยายามทําไปปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็ถึงเองน ะ, ะทุกคนเหมือนกัน ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดก็ต้องมันเดินไปได้เรื่อยเดินไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะคืบหน้าไปตามลําดับจนถึงจุดนั้นถ้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งมาสอนพวกเราแล้วจะไม่มีภาษาวกปรากฏขึ้นมาภาษาวกก็เป็นพวกพวกเรานี่แหละตอนต้นก็เป็นเหมือนพวกเรา พอมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เชื่อก็นำมาไปปฏิบัติเอาทีละเก้าสองเก้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ถึงจุดหมายที่พระเจ้าได้ไปถึงกันขอให้เราเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่าหยุดขอให้เราหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปคืบหน้าถ้ามันถ้าหยุดศึกษาหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เหมือนขับรถแล้วหยุดเนี่ย ถ้าหยุดขับรถแล้วรถมันก็ไม่วิ่งแล้วเทนี้จะไปไหนก็ไปไม่ถึงแล้วแต่ถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆถ้าน้ามันหมดก็จอดแวาเติมน้ามันธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันปฏิบัติไปแล้วถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงก็ไปฟังเทศฟังธรรมต่อพอฟังธรรมแล้วก็เหมือนได้น้ำมันได้กำลังใจที่จะปฏิบัติต่อ นะนั้นต้องอย่าทิ้งการศึกษาการปฏิบัติเป็นอ น, นขาดถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันคําถามจากคุณพยักระหว่างทําบุญทําทานกับนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกสิ่งไหนควรเร่งปฏิบัติก่อนครับหรือสมควรทําควบคู่กันไปมันก็เป็นของที่มันต้องสนับสนุนกันไงถ้าเรายัง ไม่ได้ทําบุญทําทานยังไม่เสียสละยังยึดติดจิ๋กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เวลาเราไปนั่งสมาธิอาจจะเกิดความวิตกกังวลห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ได้มันก็จะทําให้เรานั่งไม่ได้แต่ถ้าเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆจนไม่ไม่ยึดไม่ติดกับเข้าของเงินทองมันก็จะทําให้เวลาเรานั่งสมาธิจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเข้าของเงินทอง เราก็จะนั่งได้อย่างสงบได้ได้นานดังนั้นมันเป็นธรรมที่เราควรจะทำเพราะมันเป็นธรรมแต่ละระดับที่เราต้องมีต้องทำทานต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีสติมันถึงจะได้บุญต่างๆกันจนถึงขั้นสูงสุดคือบุญขั้นปัญญาบุญขั้นหลุดพ้น มันเป็นขั้นบันไดเป็นบุญที่สนับสนุนกันเหมือนการสร้างบ้านเนี่ยอยู่ดีๆจะเริ่มต้นสร้างที่หลังคาเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องสร้างที่รากฐานก่อนต้องขุดต้องฝังเข็มก่อนต้องตอกเข็มก่อนให้รากฐานมันแน่นก่อนแล้วถึงจะตั้งเสาขึ้นมาแล้วถึงจะตั้งคานถึงจะตั้งหลังคาได้การสร้างบ้านคือพระนิพพานก็แบบเดียวกัน มันต้องมีรากฐานที่แข็งแรงฐานนี่แหละเป็นรากฐานที่แข็งแรงศีลก็เป็นเหมือนเสาหลังคาก็เป็นเหมือนสมาธิเนี่ยปัญญาก็เป็นเหมือนเครื่องที่มาประดับติดหน้าต่างพื้นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปัญญามันต้องอาศัยทำแต่ละขั้นถึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่จะเอาปัญญาเอาเครื่องประดกประดับเอาฝ่เอาฝ า, ามาติด เมื่ อ, อยังไม่มีเสาไม่มีหลังคามันทำไม่ได้มันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นต้นต้องทำรากฐานของบ้านให้แข็งแรงเช่นจะปลูกตุกสูงๆนี่มันต้องตอกเข็มเยอะดินมันจะแน่นแน่นจะได้รับน้ำหนักได้เยอะพอดินแน่นแล้วทีนี้ก็เริ่มเทเทเ ท, ทฐานตั้งเสาขึ้นได้แล้วเสาก็ต้องต้นใหญ่ใ ห, ญให่เห็น เห็นตึกตใหญ่ๆไม่สูงๆนี่เสาใหญ่ก็ตัวคนคนสามคน อ, อบอบไม่รอบอ่ะอันนั้นหละเป็นเป็นขั้นไปทำรากฐานตั้งเสาแล้วค่อยมาทำคาลแล้วพอไปถึงยอดก็ถึงจะทำหนังคาแล้วค่อยมาทำฝาทำพื้นทำอะไรต่อไปติ็ดเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านต่อไป เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทำกันจะข้ามไม่ได้ข้ามแล้วทำไม่สำเร็จถ้ามยังห่วงเงินห่วงทองยังห่วงเงินหวงทองอย่างนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นานนั่งปป๊บเดียวเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องเงินขึ้นมาแล้วคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นทำไม่ได้แล้วคำถามต่อไปจากคุณจูนเราควรครบกับตัวเราเองดีกว่าคบกับคนอื่นเป็นอย่างไรเจ้าคะ พระอุตตเจ้าบอกว่าการครบคนเนี่ยคนอื่นเขาจะมีอิทธิพลกับเราถ้าเราครบกับคนที่เก่งที่ดีกว่าเราเขาก็จะดึงให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนีถ้าเราครบกับคนที่ด้อยกว่าเราเขาก็จะดึงให้เราลงดังนั้นถ้าเราไม่สามารถครบคนที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเราได้ก็ อยู่คนเดียวดีกว่าคบกับตัวเราไปดีกว่าอย่างน้อยไม่ขาดทุนถ้าไปคบกับคนที่เขาด้อยกว่าเราเขาจะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีได้คำถามต่อไปจากคุณโอปอเวลาลูกนั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนเรามีสองคนคือคนหนึ่งที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งอดีตและอนาคต หรือมีเสียงเพลงในใจที่ไม่ยอมหยุดกับอีกคนที่คอยบอกว่าหยุดคิดได้แล้วให้พุโทโธพุโทโธแต่ไม่ว่าจะพุดโทอย่างไรก็ยังมีอีกใจหนึ่งที่คิดเรื่องอื่นควบคู่ไปตลอดลูกควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ให้อยู่กับคนที่ที่ที่ให้ไม่ให้คิดไง ให้อยู่กับคนที่ไม่คิดก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปคนไม่คิดบอกว่าจะไม่คิดก็ต้องพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกันเรื่องที่เขาคิดกันอย่าไปคุยกับเขาถ้าความคิดมาชวนให้เราคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็อย่าไปคุยด้วยให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆที่มาชวนเราก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบได้คาถามต่อไปจากคุณนภัสิริ เราควรจะให้อภัยหรือเมตตากับคนที่ทำร้ายความรู้สึกเราครั้งแล้วครั้งเล่าไหมเจ้าคะแล้วควรจะทำอย่างไรก็การให้อภัยมันทำให้ใจเราสบายเนะี่ยถ้าเราต้องการความสบายใจเราก็ต้องให้อภัยไม่ว่าเขาจะทำเรากี่ครั้งก็ตามแต่ถ้าเราปลา่อยให้เขาทาเราได้หลายครั้งแสดงว่าเราโง่เราไม่รู้จักแก้ไขปัญหามนุษย์จักหลบจากเด็ก่ย ยังเจ็บกี่ครั้งก็ยังกลับไปหาเขาอยู่ีมันก็ก็ต้องถูกให้เขาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไปเไรื่อยเจ็บแล้วต้องจำสิโบราณเ็าสอนถ้าไม่อยากจะเจ็บซ้ำซากก็ถ้าคนนี้ทำให้เราเจ็บเหมือนเดินไปเหยียบน้ำแล้วก็อยากกลับไปเดินเหยียบอีกใช่ั้ยถ้ารู้ตรงนั้นมีน้ำก็อย่าเดินเข้าไปเดินแล้วมันเจ็บมันไม่ได้ประโยชน์อะไร คนไขรที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจให้อาภัยเขาถูกต้องแต่อย่าปล่อยให้เขาทำเราซ้ำซากเราต้องรู้จักหลบจากหลีกบ้างนอกจากมันเป็นเรื่องเวรกรรมจริงๆช่วยไม่ได้หนียังไงก็หนีไม่พ้นอย่างก็ต้องทำใจคาถามต่อไปจากคุณพิมชนกวันที่เราอยากรักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านตัวเองวันนั้นห้ามทำงานตอบลูกค้าทางคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมคะ พอดีทำงานขายของออนไลน์ที่บ้านตนเองเจ้าค่ะแต่สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิที่บ้านได้เองเพราะอยู่บ้านคนเดียวเจ้าค่ะคือถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆเพราะการทำกิจกรรมต่างๆมันต้องใช้ความคิดการที่เราถือศีลแปนี้ก็เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหยุดกิจกรรมอื่นๆแล้วจะได้เอาเวลานี้มาทา ความสงบให้กับใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิดังนั้นการถือศีลแปนี้เป็นเครื่องมือเป็นเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนให้เราได้มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าเราถือศีลแปแล้วเราก็ยังไปทำงานตามปกติอยู่เราก็จะได้ครึ่งเดียวได้รักษาศีลแปดแต่เราจะไม่ได้มีเวลามาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบ คำถามต่อไปจากคุณจาภาษาบาลีที่เป็นบทสวดมนต์ต่างๆที่พระสวดกันทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจความหมายเลยครับทำได้เพียงเป็นการฟังแต่ไม่เข้าใจทำอย่างไรให้เข้าใจถึงความเป็นคารวาสได้ง่ายๆเพื่อให้คำตอบกับทุกๆคนได้ครับแล้วอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์ อะไรกับการฟังพระสวดมนต์ครับในเมื่อเราไม่เข้าใจความหมายของเนื้อหาจริงๆคือบทสวดมนต์บาลีทุกบทนี่ก็มีคำแปลเราสามารถหาคำแปลมาอ่านได้ถ้าเรารู้บทสวดมนต์นี้ว่ามีชื่ออะไรเช่นบทถ้าเราสวดบทธรรมจักนี่เราก็เขีนเข้าไปในก o เกิลก็ได้ว่าธรรมจักแปลแล้วคำแปลของบทสวดมนต์นั้นก็จะโผล่ขึ้นมา ก็เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองธรรมจักรแสดงมรรคแปแสดงอริยสัจสี่เพรฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายเราก็ต้องไปหาคําแปลของบทสวด ต, ต่างๆมงคลรสูตรที่พราสวดนี่ก็มีคําแปลทุกสูตรคือถ้าทุกสูตรมีคำแปลเพราะเดี๋ยวนี้เรามีพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยทั้งทั้งชุดละเราที่ยิ่งยุคนี้สมัยนี้หาง่ายในกูเกิลด้วย พอเขียนคำว่าแปลเท่านั้นเนะ่มันก็จะไปหาคำแปลให้ทันทีที่พายังต้องสวดบาลีอยู่เพราะว่าเป็นธรรมเนียมที่เขารักษากันมาตั้งแต่โบราณเขากลัวว่าถ้าไปสวดคำแปลเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปได้เพราะคำแปลนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปตามภาษาตามเวลาแต่ถ้าเราสวดอยู่คำดั้งเดิมมันก็ยังจะไม่เพี้ยน คำบาลีนี้เป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาแปลแต่ละครั้งมันจะแปลไม่เหมือนกันเพราะความสมัยยุคสมัยการใช้ภาษาของเราเปลี่ยนไปเห็นไหมสมัยพ่อรามคำแหงกับพวกเราใช้ภาษาคนละภาษาแล้วสมัยพ่อรามเขาใช้มึงกูได้เดี๋ยวนี้มาใช้มึงกูก็หาว่ากลายเป็นคำหยาบไปนะเพราะฉะนั้นเขาจึงรักษาบาลีไว้ให้พระสวดบาลี แล้วก็ให้มาแปลในแต่ละยุคแต่ละสมัยตามตามตามภาษาของสมัยนั้นเช่นสมัยที่เขาแปลมันเป็นสมัยโบราณใช้าลาชาสับเยอะต่อไปอาจจะต้องมาแปลแบบสมัยปัจจุบันฮะ ตัดราชาศัพท์ไปแทนที่จะเสวยก็กินนะมันจะได้รู้เรื่องแทนที่จะทอดพระเนตรจะได้รู้ว่ามองนะเพราะคนสมัยนี้มันไม่เข้าใจภาษานี้แล้วยทอดพระเนตรแต่ว่าทอดกับข้าวหนระือทอดทอดกว๋วยเตี๋ยวใช่หไหมนั้นต่อไปถ้าต้องการให้พระไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงคนในยุคปัจจุบันนี้ต้องมีการแปลภาษาใหม่ลนะแปลภาษาไทยให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังคงภาษาบาลีไว้เดิมอยู่ได้เพราะเราแปลจากบาลีอีกทีนึอง <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณธนกฤตผมนั่งสมาธิแล้วตามดูเวทนาที่เกิดยิ่งตามก็ยิ่งปวดมากแต่ก็เห็นเวทนาที่เกิดมาในแบบต่างๆจนเห็นหัวใจเต้นบ้างเวทนาที่เกิดที่หน้าบ้างจนทนไม่ไหวควรตามดูแค่ลมเข้าออกใช่ไหมครับ คือถ้าเราตามแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจก็อย่าไปตามให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจะดีกว่าอย่าไปตามปล่อยเวทนาเขาไปอย่าไปสนใจถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวแล้วใจจะไม่ทรมานใจจะสงบแล้วจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเราไปตามเวทนามันจะเกิดความอยากให้มันหายแล้ว อ, อยากจะลุกหนีจากการนั่งไปมันก็เลยทาให้เกิดความทรมานใจขึ้นมา ดังนั้นเราอย่าไปตามดูเวทนาถ้าเรายังดูมันไม่ได้ถ้าเราดูได้แล้วเฉยไม่เดือดร้อนกับมันก็ดูไปถ้าดูแล้วเดือดร้อนอย่าไปดูเหมือนกับเราเห็นภาพที่เราเห็นแล้วหวาดเสียวดูหนังแล้วหวาดเสียวนี่ก็หลับตาไปดีกว่า<ม>ใช่ไห ม, มเวลาดูหนังผีบางทีถึงตอนที่มันหวาดเสียวทนไม่ไหวก็หลับตาดูนึง <laughs> มันก็จะหายหวาดเสียว อันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าเห็นเวทนาแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่าไปดูมันไปดูอย่างอื่นดูลมถ้าดูลมแล้วมันยังดูดูไม่ได้ก็ลองใช้พุทโธอย่างใดอย่างหนึง่งเอพุทโธไม่ได้ก็ลองท่องอ น, นิจจังก็ได้อ น, นิจจังอ น, นิจจังอ น, นิจจังอนิจจังไปก็ได้แล้วแต่บางทีเราอาจจะถูกจริญกับอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็ใช้อย่างนั้นแต่อย่ายไปตามดูมันถ้าตามดูมันแล้วเดี๋ยวมันทนไม่ได้ ถ้าไม่ดูมันอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมเดี๋ยวมันสงบสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับมันได้อย่างสบายคําถามจากผู้ฝากถามครับทํำยังไงไม่ให้เกิดความรักชนิดราคาครับก็ต้องดูอสุภาษิตเวลาเห็นนึกถึงคนสวยๆหล่อๆก็ให้คิดถึงจับจับไตไส้พุงเขาบ้างนึกถึงโครงกระดูกของเขาบ้างนึกถึง สิ่งที่เขาขับทายออกมาบ้างอย่างนี้พอนึกอย่างนี้แล้วก็จะไม่รักไม่มีราคาขึ้นมาแล้วนึกถึงตอนที่เขาตายบ้างก็ได้นี่คือวิธีแก้ความรักราคาเพราะเรามักจะไป ม, มองส่วนที่สวยๆน่าดูน่าชมพอเห็นแล้วก็อยากได้เขามาเป็นแฟนคำถามต่อไปจากคุณกปิ มีคนส่งพลังจิตมาก่อกวนทำให้ปวดสีส า, ากจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ เ, ออเขาส่งมาไม่ได้ เ, ร, เราอุปท า, านคิดไปเองใจเราผลิตขึ้นมาเองหลอกเราเองงั้นอย่าไปสนใจทำใจให้สงบอย่าคิดฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไปอย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็สงบก็จะไม่มีปัญหาเลย ไม่มีใครส่งพลังจิตให้กับใครได้แล้วถ้าส่งได้พระพุทธเจ้าส่งให้พวกเราก่อนแล้วพวกเรามีพลังสู้กับกิเลสดับกิเลสได้หมดนะมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนกับส่งคลื่นวิทยุนี่ส่งได้ส่งคลื่นโทรศัพท์นี่ส่งได้ะตอนเนี้ยเขาส่งมาแล้วเรามีเครื่องรับหรือเปล่าพอเปิดเครื่องรับปุ๊บมันก็เข้าเครื่องเราเลยแต่ใจเรานี้ก็ส่งพลังจิตให้ต่อกันไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณจักรพงศ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆครับ เ, ออเราต้องเป็นก่อนเลยถ้าเราไม่เป็นเราเป็นดูคนอื่นไม่ได้แต่พอเราเป็นแล้วเราจะรู้คนไหนเป็นคนไหนไม่เป็นคำถามต่อไปจากคุณนุย้ยในอริยมรรคข้อที่ว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะมีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้เกิดมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนี้เป็นวิปัสนาไหมคะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามต่อไปจากคุณราวิวันเราออกจากการนั่งสมาธิแล้ว อุทิตส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมในเวรได้หรือไม่เจ้าคะรู้สึกว่าเขาไม่นิยมอุทิตบุญเหล่านี้นะเพราะหนึ่งยังไม่เกิดถ้านั่งสมาธิจิตยังไม่เป็นอัปปนาสมาธินี้ยังไม่เป็นบุญและบุญนันนี้รู้สึกจะเป็นบุญเฉพาะตัวเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติท่านั้นไปแบ่งให้คนอื่นไม่ได้ตามความเข้าใจของเรานะแต่คนอื่นอาจจะเถียงก็ได้เราไม่ว่า แต่วิธีที่จะแบ่งบุญง่ายๆก็คือไปทําบุญซะเสียเงินนิดหน่อยก็สามารถที่จะอุทิศบุญได้นะแต่บุญที่เกิดจากสมาธินี้กว่าจะได้นี้ลินห้อยนะนั่งไปคนรอบุญก็ตายไปซะก่อนกลับไปเกิดซะก่อนนะเห็นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปซื้อฟาสต์ฟู้ดดีกว่าซื้อแมคโดนัลด์ดีกว่าอย่าไปทํากับข้าวเองถ้าตัวเองยังทํากับข้าวไม่เป็นก็ต้องไปหัดทํากับข้าวก่อนถ <laughs> ึงจะมาทํากับข้าวได้ เนี่ยสมาธิก็เป็นเหมือนการทำกับข้าวเองเราทำไม่เป็นเรามีเงินซื้อไปซื้อฟาสต์ฟู้ดดีกว่าไปซื้อแมคโดนัล์ซื้อพิซซ่าส่งกินปับ๊บส่งส่งไมให้เขาได้ซื้อไปแล้วถวายภาพไปแล้วก็ทีนี้ก็เป็นบุญที่เราจะอุทิศให้กับคนเจ้ากรรมนายเวรหรือใครก็ได้นะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับ คนที่ผูกคอตายไปแล้วทำไมต้องชดใช้เวรกรรมถึงห้าร้อยชาติก็จะกลับมาผูกคอตายอยู่เรื่อยๆพอเจอปัญหาแก้ไม่เป็นก็แก้ด้วยการผูกคอตายมันจะเป็นนิสัยไปติดเป็นนิสัยไป อย่างอ ain, ื่นก็เหมือนกันคนที kan, ่แก้ป like ัญหาด้วยการกินเหล้าก็เวลามีปัญหาก็จะกลับมากินเหล้าคนที่แก้ปัญหาด้วยการไปมีชู้ก็จะไปมีชู้คนที่แก้ปัญหาด้วยการไปฆ่าคนอื่นมันก็จะไปฆ่าคนอื่นทำอะไรมาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปงั้นอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการทำบาปไม่ดีไม่เกิดประโยชน์กับใครเกิดโทษกับตนเองกับผู้อื่นแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติธรรมพุทโธพุทโธดีกว่า มีความทุกข์มีปัญหาไม่สบายใจพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจสงบปัญหาก็หมดไปละแก้แบบนี้จะจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหม<อ>ดกันได้ใช่ไหมเออนแล้วนะถ้าไม่มีใครอยากจะถามอีกก็ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ